เรื่องธรรมะบรรณการของขวัญวันเกิดโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยสริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ไม่ประมาทและ ท่านสาธุชนที่ได้มาร่วมในงานอันปรลในวันเกิดครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถือได้ว่าเป็นเวลาแห่งสิริมงคลอีกอันหนึ่องอันเนื่องในงานวันเกิดนี้คือเป็นเวลาที่ท่านต่้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิสถา ถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสำังสอนขององคุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอัตมาภาพทีได้นำมากล่าวเป็นธรรมปรณาการเป็นของขวัญในวันเกิดของท่านเจ้าภาพในวันนี้และมอบเป็นของขวัญรี่อยไรยกระจัดกระจายต่อไปอยังท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาร่วม ในงานนี้การจัดงานวันเกิดในวันนี้นั้นถือได้ว่าเป็นการจัดงานในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการกระทําที่ปารบต่ออายุต่อวัยสังฐานของตอนเองที่ผ่านไปเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์เป็นสิริมงคล และพร้อมกันนั้นเพื่อนฟงญาติสนิทมิตรสหายก็มากันมากมายจ น, นเต็มบ้านเต็มเรือนการที่จัดวันเกิดอย่างนี้ก็เป็นการจัดเพื่อจะเรี่ยรัยโปรยหวานของขวัญให้แก่กันและกันจะในรูปลักษณะนิมนต์พระสอ ง, องค์เจ้ามาฉันที่บ้านแน่ต่อเจริญพุทธมนต์ แล้วก็ยังมีส่วนที่จะได้ฟังและทำมาเทศนาการที่นิมนต์พระสองฆอง์เจ้ามาฉันที่บ้านเป็นจํานวนมากก็ถือได้ว่าเป็นการประคำที่เป็นมงคลที่วัฒน์นันจากธรรมจาริยัญจะการให้ทานการประพฤติถูกต้องตามธรรมเป็นมงคลอันประเสริฐแก่ชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ฟังพระท่านสวด เป็นพิธีมงคลที่เรียกว่าปริตมมงค์ชนอันนั้นเรียกว่าเป็นพิธีมงคลมงค์ชนมีสองชนิดพิธีมงคลและก็ธรรมะมงคลพิธีมงคลก็ทําตามระเบียบแบบแผนที่ผู้รู้โบราณการได้จัดจัดทําทํากันมาทําแล้วก็สบายใจอย่างนี้เรียกว่าพิธีมงคลแต่จะได้เนื้อหาสาระอย่างไรนั่นเป็นอีกอย่างหนึงส่วนธรรมะมงคลนนั้น ไม่เกี่ยวกับพิธีรีดองแต่เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติทางกายวาจาใจลงไปมือนี่เรียกว่าเป็นธรรมมงคลมันก็จะเกิดมงคลคืออุตมังมังคลังอุตตมังเศษทั้งความดีอันอุ ด, ดมอันประเสริฐจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเกี่ยวกับพิธีรีตอง แต่ในงานนี้วิธีมงคลก็ได้จัดทาไปแล้วที่นี่ก็มาเป็นธรรมมงคลได้ฟังธรรมอีกด้วยเรียกว่าธรรมสวังเอตัมมังครมุตมังกาเลนะธรรมะสวังแต่ฟังเทศฟังธรรมมีเวลาฟังเทศฟังธรรมบ้างเป็นมงคลที่นี่ท่านทั้งหลายที่มาในงานนี้ก็ได้รับมงคลด้วย ถือได้ว่าเป็นของขวัญของท่านเจ้าภาพที่แจกหวานโปรยหวานคืนให้แกญาติาเนจมิตรหายที่มาร่วมในงานนี้อาตมาขอแสดงความชื่นชมยินดีในงานวันเกิดชนิดนี้และวันนี้ก็เลยมา น, นึกขึ้นมาเอว่าเราน่าจะได้พูดกันในเรื่อง ที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่ชีวิตแต่ละชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้เพราะว่าทุกวันนี้ที่งานวันเกิดนั้นรู้สึกจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่แล้วกลายเป็นเรื่องราวสำคัญขึ้นมาแม้แต่ในบงการของพระทรงองค์เจ้า ผู้ที่มีหน้ามีตามีเกียรติมีโยศในสังคมพอถึงวันเกิดของตนก็นมีเพื่อนฟุ้งบริวารครับขั่งหลังไล้นำช่อดอกไม้นำของขวัญวันเกิดมามอบให้แล้วก็ชื่นใจกันไปต่ออายุบ้าง <c oughs> อะไรพวกนี้แหละให้เราเกิดความสบายใจขึ้นว่าเรานี่เกิดมาในโลกไม่โดดเดี่ยวเดียวดายยังมีเพื่อนยังมีปุ้ง ต่ำลงมาเป็นเหมือนน้องปรเมินกันก็นเหมือนเพื่อนเหมือนโค้งสูงขึ้นไปก็เหมือนพี่เหมือนลงุงเหมือนป้าเหมือนอาเหมืนอนอาอะไรต่างๆ่างเงี้ยสังคมไทยเรามันอบอุ่นอย่างนี้แต่ความจริงใ น, นเรื่องราวของการวาระรวันเกิดนี้มานวันเกิดนี้แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมา วัฒนธรรมไทยประเพณีไทยของเราไม่ค่อยให้ความหมายความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดวันเกิดอะไรมากนักจะเป็นด้วยที่ว่าประเทศไทยของเรานั้นได้นับถือพุทธศาสนามาช้านานถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วจึงไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันเกิดวัน อะไรเหล่านี้มากนะแต่ในทางพุทธศาสนาในประเทศไทยเราประเพณีให้ความสำคัญของวันตายมากกว่าวันเกิดเพราะวันเกิดมันได้เกิดมาแล้วโตมาแล้วมันก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์จริงๆของการเกิดแบบนั้นแต่วัฒนธรรมของฝรั่งมั่งค่าได้มีบทบาทได้หลังไหลเข้ามาในประเทศไทย ของเราคนไทยของเราได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระบบสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจการเมืองตลอดทั้งวัฒนธรรมของเราดีดๆก็เอาของฝรั่งมาสวมทับตืบเข้ามาอีกนะแปลว่าสวมทับกันลงไปเลยทางวัฒนธรรมของเราดีดๆก็เอาของฝรั่งมาสวมทับเข้าไปพวกฝรั่งเป็นประเทศที่จเจริญ เมื่อก่อนเขาย้อนหลังสนิดว่าพ่อแม่ของเขาทุกข์ยากลําบากเมืองฝรังอากาศหนาวจัดหิมะตกฝรั่งรุ่นบุกเบิกรุ่นภัโอเนียนั่นเขาจะมีความทุกข์ยากลําบากเขาจะต้องต่อสู้กับความหนาวเหน็บต่อสู้กับความโหดเยี่ยมของดินฟ้าอากาศพวกหิมะพวกอะไรต่ออะไรถึงเวลาอากาศดียังไม่หนาวยังไม่มีหิมะเขาจะรีบไม่สนใจสิ่งใดเลย รีบสร้างสรรค์รรมาหากินเพราะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาทำอะไรไม่ได้เขาจาองนอนคุดคูอยู่ในบ้านก่อไฟฟิงเขาก็ต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านี้โดยภัยธรรมชาติเบียดคันเขาในที่สุดเขาอยู่เฉยๆไม่ได้เขาต้องรีบทาเมื่อทาเสร็จเมื่ออีมาตกเมื่อหนาวจากเขานั่งอยู่ในบ้านเขาก็พากันคิดค้นหาวิธีเอาชนะธรรมชาติ คิดแล้วคิดเล่าหลายคนช่วยกันคิดข่าวในที่สุดมันก็เลยมีความรู้วิวัฒนาการขึ้นมาก็คือการเก่งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับธรรมชาติความจริงก็คือจัดระบบธรรมชาติให้เข้าเหตุปัจจัยถูกต้องมีห้องแอร์มีอะไรขึ้นมาจนกลายเป็นสังคมที่เรียกวา่าอินฟ o n นซ์คือฟุ่เฟือยกันอย่างเต็มที่เลยทีนี่ <c oughs> พอลูกหลานฝรั่งเกิดมารุ่นหลังเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะรู้การต่อสู้ของพ่อแม่ของเขาได้เขาก็คงเพียงแต่จะได้ยินการเล่าเสกๆกันมาเท่านั้นแต่สภาวะที่เป็นจริงที่เขาประสบเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างนั้นเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาทำกลางความสะดวกสบายเรียกว่าเป็นยุคที่เกิดมาบริโภคทันทีเรียกว่า consumer so society เป็นสังคมแห่งการบริโภค เมื่อถึงโดนีฝรั่งลูกหลานทั้งหลายก็เริมร่มเริ่มหาวิธี <c oughs> ที่จะสนุกสนานทุกรูปแบบพอวันเกิดตนเองทีก็หาเรื่องที่จะกินเล่าเมายาก็เชิญเพื่อนเชิญฟงมาทาหนังสือเชิญมาเพื่อนที่ชอบใจกันที่สุดวันเกิดนัดมากินเหมือนจะเกิดมาเพื่อจะกินนะไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่น เหล่ายาทานนังเค้กเค้กขนมอะไรต่างๆสำคัญมากเหลยที่นี่เอามาตั้งพวกเหล้าพวกเบียรพ์พวกไวน์พวกอะไรต่างๆสกี่ทั้งหลายตั้งรอบแล้วก็มาปรบมือร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูขึ้นแล้วก็คนที่ถูกเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังแฮปปี้เบิร์ดเดย์คือสุขสันในวันเกิดของคุณ ปอบมือให้หลังกันแ้นก็น เ, กนกนเป่าเทียนดับไฟแสดงว่ายังมีพลังภายในพร้อมที่จะเตะปี๊บให้ดังๆวัลหลายใบได้อะไรจำนองนี่แล้วก็กินเหล้ากันสนุกสนานเต้นรำสดีดสดิ่งกันนะดานกันอะไรท้งอีริงบีเมอร์ดีทกมอลโลวีไม่ได้กินเข้าไปสนุกสนานเข้าไป เดินมันเข้าไปเต้นรำเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายเขาเหมือนกับว่าเกิดมาในโลกนี้เพื่อจะกินเสียดายมันจะตายหนีจากพรุ่งนี้กันเลยกินมีสังคมของฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาร่ำรวยเขามั่งมีสิสุกกันหลังจากนั้นเมาได้ที่แล้วก็สนุกกันละที่ไหนโร้คายพัวใครก็ใหม่โลกกอดกันกลมเต้นกันบนฟลอ ต่อมาก็เามาถึงเมืองไทยเราที่เรียกตนเองว่าปัญญาชนไปอยู่เมืองนอกเมืองฝรั่งก็เอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาก็มาใช้กับบ้านเราเมืองเรามันก็ถูกใจโกถูกใจกเกลียดใครก็ชอบเรื่องสนุกสนานเพราะเหตุ น, นั้นในวันเกิดของแต่ละคนจึงมีความสำคัญมากถึงวันเกิดของผู้ใหญ่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ลังไลเอาสิ่งของ มาให้มามอบให้สิ่งของเหล่านี้สิ่งที่มีค่าเก็บไว้ในบ้านหรือบางสิ่งก็จะถูกแปลรูป transformation แปลแปลรูปไปเป็นเงินเป็นทองก็จะไปเสื้ อ, อาการมลลมเอาความสนุกสนานช่วยโอกาสตักตวงในวันเกิดจะได้เงินได้ทองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยโอกาสในวันเกิดนี่ รีดจากผู้น้อยให้หมอบสิ่งนู้นถึ่งนี้ให้อย่างนี้ก็มีวัฒนธรรมอันนี้มันได้เกิดมาแล้วในประเทศไทยเนื่องจากได้รับมาจากทางฝรั่ ง, ลงหลังจากนั้นพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวก็เอาอย่างถึงวันเกิดแล้วสนุกกันพลานเงินพ่อเงินแม่ไปซื้อของมาให้แก่กันและกันมากินเหล้าเมายากันไปเที่ยว อะไรต่ออะไรกันก็เกิดเรื่องเกิดราวล้มหายตายไปเกิดอุบัติเหตุอะไรเนื่องในวันเกิดในไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉนั้นวันเกิดเนี่ยที่เราจัดกันส่วนมาก้เราได้วัฒนธรรมมาจากทางตะวันตกแต่ในทางประเทศไทยพุทธศาสนาของเรานิยมจัดวันตายเป็นวันยิ่งใหญ่เพื่อใครใคจะได้มา คนที่เป็นเพื่อนญาติสนิทมิตรหายสายโลหิตเมื่อถึงวันตายแล้วก็ผ่ากันมามาแล้วจะเดบโปงอานิจังสังเวชสลดใจว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นนี้ถึงกับมีพิธีในวันตายมาถึงทุกคนจะต้องมาจดทูบเทียนประเพณีที่น่ารักที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วทาให้คนนี่รู้จักตนเองมากขึ้นพิธีวันตายในศาสนาพุทธ คือในประเพณีของไทยเราเนี่ยแต่ละคนมาถึงแม้จะโกรธจะเคียกันก็มาจุดทูบจุดเทียนตาบลงในข้างลงศพขอขมาลาโทษยกโทษให้อภัยกันถ้าเพรข้องมองใจกันลึกลงไปนั้นยังจุดทูบจุดเทียนสว่างเจิดจ้าเอาไว้ไม่ให้ขาดตายเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ตายได้พบได้เห็นอย่ามืดอย่าบอดนะ จุดเทียนส่องให้เห็นดูเอาเถิดคนตายนอนตายให้เห็นคำไหว้ศพก็ยังมีคำกล่าวเป็นภาษาบาลีถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยจะได้ท่อยคำที่มีความหมายมากทำให้ถึงกับสะดุดความคิดจนกับสางความเมาในชีวิตที่ปลิดสิน้นเรมตายคำกล่าวเมื่อไหว้ศพจะมีคำกล่าวว่า อ่าอ่าอามอะมลณะธรรมโมหิมลนังอนัตติโตอะหามปิโขโมหิมลณ ะ, ะธรรมโมหิมลนะนังอนัตติโตเอวังพาวีเอวังอนัตติโตหั่นทาหั่นกันรายา น, นังการโรมิกาเยนวัจามนัสสแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายมากข้อนแรกแปลว่าโอ้เรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนอ คนเรานี่หนีสภาพความตายนี้ไปไม่ได้เลยเราก็จะเป็นเช่นนี้ท่อนกลางบ่าอย่างนี้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นอย่างนี้เราจะหนีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้ท่อนสุดท้ายก็สะท้อนคืนมาสู่ความรู้สึกตนเองที่ยังเป็นเป็นอยู่ว่าหันทาหังกันเรยา น, นังการโอมิกเยณวาจามานาสา เอาเถิดเราจะทาคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายไปเหมือนท่านผู้นี้ดูนี้เป็นคำไปไปในงานศพไปไหวศพของคนตายมันมีความหมายมากในชีวิตทำให้ชีวิตจุดส่างจากความเมาในลาบในยศในเกียรติในเงินในทองเพราะว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ในวันหน้า อย่างนี้มันได้ประโยชน์ในทางจิตใจในทางคุณธรรมแต่เดี๋ยวนี้มันก็เลอะทักเลอะเลือนไปแล้วในวันเกิดวันนี่ยในวันตายกันมาก็ใส่ชุดดำๆไปคุยกันอวดทรัพย์สมบัติกันเพชรนิงจินดาใส่ข้าวท้องคำเลื้องอล า, ามไปอวดกันเอาสีดำเป็นพื้นฐานให้โดยไม่มีความคำนึงว่าเราจะเป็นอย่างนี้หรือไม่อย่างนั้นเรา ก็ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเอามาผ่านเอามาเพิกเป็นอะไรมาซะก่อนก็ได้อะไรพวกเนี้ยนี่ในทางพุทธศาสนาเน้ น, น, นไปที่กิจกรรมในวันตายแต่พวกฝลังทั้งหลายเน้นไปที่วันเกิดเขาจะมีพาเศษของฝลั่งปะอีด and drink บีเมอร์ลีโทมัลโลวีเมดายกินเดิมเข้าไปพรุ่งนี้เราจะตายแต่ถ้าหากพวกนี้ไม่ตายมันก็จะต้องกินเดิมกันต่อไปสนุกต่อไปเมื่อกินเดิมต่อไปสนุกต่อไปเงิน คำคำแกวเงินทองมันก็หมดมันก็ร่อยร อ, ยรอยต่อไปแล้วก็ไปเป็นหนี้ต่อไปก็ดิน้นรนต่อไปหามาตรงๆไม่ได้ก็ต้องเอาทางอ้อม <c oughs> เมื่อเพื่อจะใช้หนี้ใช้สินที่บีบขั้น พ, พลุงพลังเพราะหมดจะกินจะเที่ยวเอาทางอ้อมไม่ได้มันก็เอาถาังลักถ้าเป็นเจ้าใหญ่ในายโตไปบีบไปรีดเอาจากผู้น้อยให้ทรงสวยเสืยอะไรให้ต้องมาเท่านี้เท่านี้ เมื่อาทางอ้อมไม่ได้ก็เอาทางรัดคอรับชั้นชั่วลาดบังหลวงกินคํำใหญ่โตโตถ้าเป็นชาวบ้านคอรับชันไม่ได้ก็ขโมยลักปนอย่างไปอย่างเนี้อย่างนี้เรียกภาษาพระเริยวัฒนธรรมกามสุขหลิกานุโยกวัฒนธรรมเซฟสุขทางกามทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางสัมผัส นี่เรียกว่าวัฒนธรรมการมาสุขันกาุโยกทางศาสนาพุทธถือวา่าฮีโนต่ำซามคาโมเป็นของชาวบ้านปุธุชนียโกเป็นของพุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ที่จเจริญแล้วอนัตตสั้นยึดตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยนอกจากนั้นก็เป็นไปเพื่อโทษทางปวงนั้นแหละเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเราจึง ไม่ถือวันเกิดเป็นวันสําคัญแต่พอจะพูดถึงวันเกิดก็ต้องสัมพันธ์ถึงวันตายต้องสัมพันธ์ถึงวันตายชาติปีทุกขาบนงทีถ้าไปว่าเกิดมันต้องมีฉร า, ามมรณะโศกบปริเทวทุกขาโทมนัส จะเป็นทวนเป็นพืชไปเลยในทางพุทธศาสนาภาษาบาลีคํานี้จะพุทธขึ้นชาติไปว่าเกิดก็มีชรามรณาโซกับปริเทวะทุกขะโทมัอุปายาไปว่าเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็มีความทุกข์ใจมีความคับแค้นใจมีความไม่สบายกายไม่สบายใจมีความปฎานะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบงังได้บงังไม่ได้บงังเป็นทุกข์ท่านจึง มองเห็นโทษว่าการเกิดมานี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ไม่จะมองในแง่ร้ายนะก็มีทางที่จะออกจากทุกข์ก็หลุดไปจากการเกิดไม่ต้องเกิดเีลาเรามาตั้งตน้นโดยการเกิดโคฝลังก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เเกิดมาห้าวันวันศุก์สันในวันเกิดเกิดมาเพื่อจะเป็นสุขเพราะฝรั่งเขาถ้าจะแปลอีกคำหนึงว่าเกิดมาใน Happy Birthday ศ so ุกร์สัน hey. ว well, ันเกิดเกิดมาเพื่อจะเป็นศุกนะเพื่อจะได้กินได้ดื่มได้สนุกสนานในโลกนี้แต่หางผู้ศาสนาผู้ลิขชาของเราบ่ทุกขังชาติปุณณปุนณ์เกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ําไปเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาเป็นทุกข์ดูง่ายๆทางกายภาพแม่เกิดมามันก็ทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งโลกแม่ที่คลอดออกมาให้เลือดหลังเลือดไหลหมดเลือดมาเป็น หลายลิตร <c oughs> โอยหน้าดำตาแดงฝุดลุกโขดนั่งร้องไห้ออกภาษาอีสานบานเฮาเบ่งหลวกตาสวดตาดูนโอ้ยจะมันเจ็บมันปวดฝุดลุกโขดนั่งลูกผู้ที่ถูกแม่คลอดออกมานั้นก็เจ็บปวดรูดราวรีดออกกระดูกกระเดี่ยวออกมาจากในทองพอพ้นทรณีประตู คันของแม่ก็ร้องไห้จ่าทันทีเลยเสียงร้องไห้คือเสียงขืนของพระธมทุกปวดร้าวรานเสียจริงๆไม่มีใครเกิดมาแล้วหัวเราะทำไมไม่เกิดมายิ้มแข่งหัวเราะออกมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้โยมีสุขแท้เด้เดยวันเกิดไม่เห็นใครว่าเกิดมามันทุกพระพุทธเจ้าของเราให้มาทุกขังชาติปุณปุณงังเกิดทีไรเป็นทุกข์กลัมไป เริ่มต้นด้วยความทุกข์ในวันเกิดทุกทั้งพ่อทุกทั้งแม่ทุกทั้งลูกที่กำลังคลอดออกมาทุกทั้งพี่น้องไปหมดทีนี่พ่อแม่องมาทุกต่อในการหาเลี้ยงให้เจริญเติบโตหลังจากนั้นลูกก็มาทุกต่อทุกไปหมดแหละทุกทางกายทุกพอกินทุกพาะอยู่ทุกขศัลว์แห้งฮะโอสารพัดอย่าง ทวกพการดิ้นรนยื้อแย่ง <c oughs> สแสวงหาเรื่องปิ้นเรื่องตามมารมเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรต่างๆในที่สุดก็ตายเปล่าไม่มีใครได้อะไรจบฉากละครแห่งชีวิตที่นี่เรามาเริ่มต้นดูที่การเกิดทางฝรั่งมังคาเขาบอกว่าเกิดมาแล้วก็หาความสุขเกิดมามีความสุขะพุทธไตเจ้าของเราท่านเริ่มต้น มองความทุกในการเกิดชาติปีทุกขาเกิดเป็นทุกชลาปิทุกขาแก่เป็นทุกมรณะปีทุกขาตายเป็นทุกโซกับปริเทวะทุกขโทโมานสุ ป, ปายาตแม่ความโศกเศร้าวความริ่มไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจทั้งหลายก็เป็นทุกดูสิ อภีหิสัมปโยโคโทุกโคในพบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์มันต้องพบแน่ๆสิ่งที่เราไม่รักไม่อยากพบไม่อยากเห็นก็ต้องไปพบละเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อมีอยู่เป็นอยู่หลังจากนั้นสิ่งที่เรารักเราพอใจเราได้มาก็จะต้องพัดผ้าจากมันตรงนี้ก็เตรียมตัวทุกข์ไว้ให้ดีๆอเยหิวิปโยโคโทุกโค พัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ลูกตายเสียมีตายจากพระจากผัวพ่อแม่ลูกเต่าตายจากกันพัดพลากจากกันโดยไม่มีใครปรารถนามันกระทุกทางนั้นยำปิชังนลปานติดตามปีทุกขาปรารถนาสิง่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ซื้อหวยปรารถนาจะโหกมันไม่ถูกหมดเงินไปเป็นทุกข์เลี้ยงลูกต้องการให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกกลับไปกินเหล้าเมายาไป เสพยาเสพติดไม่เชื่อฟังพรานเงินพ่อแม่เป็นทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นอีกหมือนกันมีเมียสดที่รักโทนหัวไปเป็นชู้นอกกใจผัวผัวก็เป็นทุกข์มีผัวแสนดีที่พอใจมากนึกว่าเป็นคนดีได้มาแล้วกลับเป็นเจ้าชูม้มีมีห้วง ม, มีมีน้อยเล่นให้โลไปสนุกสนานไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวปล่อยเมียให้ได้รับความทุกข์ขืนคมระทม นีย่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันทุกเพราะทั้งการเกิดมาก็เริ่มต้นด้วยการทุกข์จบลงด้วยความทุกข์คือตายทีนี้มันมีเหตุที่จะไม่ให้มันทุกข์ก็มีทางออกจากมันพระพุทธเจ้าบอกว่าสัพพทุกธะนิสระณะนิพพานะชัชชิกราระณัฐยะแต่ทําให้แจ้งซึ่งนิพพานออกจากกองทุกข์ทั้งปวงนูน่น มีมีมีไ ม, ม่ใช่ไหมมีอัติภิเเวตถายตานัะะนงฤิธสตังหลายสิ่งนี่มีมีอายตนะนี่มี <c oughs> เราก็จะได้ว่ากันตอ่อไปอะไรที่นี่เมื่อวัฒนธรรมวันเกิดของเราเนี่ย <c oughs> ได้มีบทบาทมีอิทธิพลในป่นเทงไทยนอกจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงมาจนถึงเด็กเด็กนักเรียนเดี๋ยนี้ชัน มัธยมธรรมดาก็รู้จักวันเกิดถึงวันเกิดนัดเพื่อนมากินขนมมาที่ออกมาอะไรมันไม่ใช่ขนมธรรมดาแหละที่นี่น้ำหวานน้ำส้มต่อมากันน้ำยาพิษเหล่าเบียร์ผานเงินทองพ่อแม่ไม่รู้จะบอกแกสอนกันอย่างไรนี่ยังไม่พอ <c oughs> ลามก็ไปถึงวัดวาอารามพระสงองค์เจ้าเดนที่การมาสุขันหรการนุยโยเรียกว่าวัฒนธรรมที่เต็มศูนย์ทางกามทางประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมากขึ้นและทรงองค์เจ้าก็จัด ง, งานวันเกิดแล้วเดวนนี่วันเกิดหลวงพ่อนั่นวันเกิดหลวงตานี่วันเกิดท่านอาจารย์นั่นโลกสิทธิโลกหายโไกลแหงนไหนลางไลกันไป ไปทำใหม่ไปทํำบุญวันเกิดท่านไปฟังโอวาทเพื่อจะได้เลขจากท่านบ้างที่แน่ๆก็คือเอาเงินเอาคําไปถวายท่านมาๆนยมันจัดไปเพื่อสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีวันนอกจากวันเกิดแล้วก็ปารอบทีวิทีวันต่ออายุ เดี๋ยวทำบุญต่ออายุหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ไม่รู้คิดกันอย่างไรทํายังไงจึงต่อได้อายุพระพุทธเจ้ามีแปดสิบปีเท่านั้นแล้ไม่ท่านไม่ต่อให้ท่านมากกว่านะั้นแล้วนี่ชักไปกันใหญ่แล้วคุณอาตมานี่ก็ได้ยินถามบา่อยๆเมื่อไหรวันเกิดของท่าน <c oughs> มันก็เกิดทุกวันเนี่ยตายทุกวันเกิดทางกายจะเกิดมาวันเดียวตั้งแต่คลองแม่แต่เกิดทางใจนี่สะท นอนมือกายหน้าผาคิดจะถูกหวยลอตเตอรี่คิดไปคิดไปก็เพลินหลงว่าตนเองถูกซะจริงๆมีเงินล้านซื้อรถอย่างนั้นทำบ้านอย่างนี้ซื้อช่องอย่างนั้นเป็นเศรษฐีเนียเปิดเป็นเศรษฐีในวินาทีนั่นแหละพอรู้สึกตัวอ้าวเนี่ยมันคิดวาดวิมานในอากาศเศรษฐีหในความฝันก็พังทลายลงคิดใหม่อยู่ดีๆเหนผัวใครสวยๆหล่ลอๆมาคิด อยากจะไปเป็นเมียให้เขามันเกิดในช่วงนั้นมันก็เกิดล่ะเกิดทางใจที่ว่าเกิดทางอุปาทานเป็นพบเป็นชาติมันเกิดทุกวันตายทุกวันเชาวมานี่มันเกิดมาหลายชาติตายไปหลายชาติเนี่ยเกิดทางทางใจเร็วมากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าปุถุชนผู้ไปเรียนรู้จะเข้าไปยึดร่างกายนี้ว่าเป็นของเรายังดีซดีกว่ า, าไปยึดจิตว่าเป็นของเราจิต ที่ว่าเป็นของเรานี่มีอยู่ในมหาภูตารูปที่เราเรียกว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีจิตตังอิติปิจิตบ้างมโนอิติปิมโนบ้างวิญญาณังอิติปิวิญญาณบ้างที่อาศัยอยู่ในมหาภูตะรูปนี้ยาวะเทวะอันยังอุปรชัติอัญญ์ในรุปชาติรัติวาจะที่วะสัจจะ ถ้าพูดจริจ้าของเราบอกมันเกิดอยู่ทั้งกลงวันกลางคืนดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งดับไปเกิดดีใจขึ้นมาเป็นเทวดามาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์โก้ขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารโง่ขึ้นมาเป็นเดรัจฉานปัวขึ้นมาเป็นอสุรตายเดือดร้อนใจขึ้นมาโตกนรกเหยียบเย็นใจมีสมาธิ <c oughs> เป็นพรหมมันเกิดอูอย่างนี้ แต่เราก็มองไม่เห็นลรามองเห็นช่วงยาวๆท่นี้พอถึงวันเกิดของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จัดงานวันเกิดอาตมาเคยได้รับนิมนต์ไปในวันเกิดของครูบาอาจารย์ใหญ่ๆลูกสิลูกหามาเต็มญาติโยมมาทําบุญกันเยอะเอาเงินเอาทองมาถวายกันเยอะเลี้ยงกันโอ้ยพระสงฆ์องค์เจ้าบํารุงบาเรอกันโยมอยากได้บุญ หมยรูน้ำส้มน้ำววา น, น้ำเขียวน้ำเหลืองเต็มไปหมดหนอกจากนั้นก็ยังเลยเธอไปนูนะ่น l i ลิฟโฟวิตันดีเอ้ยกะทิ้งแดงเอ้ยอีกหน่อยอาจจะมีอาจจะมีน้ำใหม่ใส่ในขวดลิฟโฟ <c oughs> ใส่ในขวดกะทิแดงอาจจะเป็นลิฟโฟวิตันประเภทชนิดที่น้ำสแีแดง อาจจะกลายปเป็นเล่าไปก็ได้ลักษณะเช่นนี้มันบำเลอบำลงกันจนเกินอาหารเลือดเฟือะสะมองค์เจ้ว ก, ก่อมซัดเข้าไปกันเต็มบาตกินไม่หมดแล้วก็ไปเทให้คนอื่นกินอย่างบอกว่าเป็นสิริมงคลใครได้กินแล้วอายุมันขวัญเกินหายพยาธิโรคราแต่ตนเองต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเพราะอาหารเป็นพิษกินหลายโพดโลกท้องเกิดก ไ, ไปในวันเกิด น, นี้เราจะพอจะสรุป การกระทำเกี่ยวกับวันเกิดได้ยื่ดอกสังเกตเดีวยวทุกวันนี้เราจะมีบุญอันเืองด้วยอายุเนี่ยนีอยู่ประมาณสักสามวิธีด้วยกันสี่วิธีด้วยกันในทาง ท, ทั่วไปเขามีวันเฉลิมฉลองวันเกิดก็หมายว่าเฉลิมฉลองอายุนี่อันหนึ่งต่อมาก็มีบุญต่ออายุนี่อันหนึ่ง มาแล้วมีอายุแล้วจะต่ออายุงา น, นอีกอันหนึ่งสังเวชอายุสังเวชอา ย, อายุอันนี้มาทางคำมากๆสังเวชอายุเลยอันสุดท้ายอาจจะคลายอายุเลิกความเป็นเจ้าของอายุเราจะเอาแบบไหน ถ้าเฉลิมฉลองอายุก็ต้องมากินกันสนุกสนานมีอะไรขนมากินฉลองอายุที่ได้มาแล้วเฉลิมก็เอามาเพิ่มมาเติมขึ้นให้มันเต็มตามที่มันอยากมันปรารถนาเฉลิมฉลองอย่างที่เขาทํากันแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฉลิมฉลองอายุะสององค์เจ้าคูบาอาจารย์ใหญ่ๆเฉลิมฉลองอายุในวันเกิดของตนเองลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลไป เงินคําหลังไหลไปโมโหได้เยอะแยะอย่างนี้ไม่ได้มีเนื้อหาสาระส่วนที่เป็นอัดเป็นธรรมสั่งสอนกันหรืออาจจะมีความคิดไปทางอ้อมในแง่ดีก็ว่าให้ลูกศสร็จลูกหาไปเยอะๆให้ยาโยมเข้าไปเยอะๆเขาจะได้ฟังธรรมแล้วเขาจะได้มองดูครูบาอาจารย์ที่เขาไปให้ของขวัญวันเกิดไปในวันเกิด น, นั้นเป็นตัวอย่างของชีวิตชีวิตหนึ่งที่เกิดมาในโลกท่านบวชมาตั้งแต่น้อย ท่านได้สร้างคุณงามความดีมาเยอะลูกศิโลกหาจึงมาเยอะคนเรานี่สามารถพัฒนาตนเองให้ดีให้งามอย่างนี้ได้นี่ถ้าคิดในแง่นี้มันก็เป็นแง่ดีสาธุอนุโมทนาทีนี้มาคิดอีกทีหนึ่งอาธมานั่นมัน <c oughs> รู้สึกว่ายังพร อ, อือพระอมโยไปงานวันเกิดใหญ่ๆของครูบาอาจารย์บางทีลูกศิษย์ลูกหามากันทั่วสารทิศไกลๆไกลๆ เหมารถเหมาเรือกันมาเสียเวลาเวลาเสียเงินเสียทองส่วนที่จะได้เป็นอัดเป็นธรรมเป็นประโยชน์ไม่ได้เพียงแต่มากินมาอยู่ให้มันอิ่มนี้ที่มันสนุกสนานแล้วก็าได้มาฟังพระสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศกัน น, น้อยๆสวดมากก็ไม่ค่อยจะมีเนื้อหาสาระอะไรหลังจากนั้นก็ามายกย่องกันเท่านั้นคล้ายๆกับจะประกาศว่าถ้ามีคนโลกทิศโลกหามามากนั้นคือบารมีบารมีมาก เป็นผวกมีคุณงามความดีมากเอณฑกันมาเยอะๆแต่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับบารมีคุณงามความดีเลยแต่เกี่ยวกับการประจบสอปขอซะมากเพราะเขาเห็นว่าท่านเป็นผวกมีผิสิทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจวาสนาะมีโอกาสเข่าไกลที่เจ้าใหญ่นายโตกว้างขวางจะได้มีโอกาสช่วยเหลือจะได้ขอร้องให้ท่านช่วยอย่างโน้นช่วยอย่างนี้มันไปกันซะอย่างนั้นมากกว่า ที่นี่ถ้าหากว่ามีคนหลั่งไหลไปเจอๆในวันเกิดของโคบาอาจารย์ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยศีลด้วยธรรมไปถึงก็ไม่ได้มีอะไรมากอย่างอย่างอย่างวันเกิดของพระเดชและคุณท่านหลวงปู่พุทธทาส น, นะคนไปทั่วทั้งประเทศไทยเป็นมืนม่น เสร็จแล้วไปอดข้าวกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นของขวัญวันเกิดแม่นี่สิจึงเรียกว่ามีอัดมีทำกันจริงจงจังๆเพราะจะว่าไปเรื่องในวันเกิด น, นั้นเราก็ไม่ได้กินอะไรเกิดมาก็ไม่ได้กินอะไรกินแต่น้นํานมที่แม่ให้กินนอกจากน้นมันยังกินอะไรไม่ได้มันยังเจอยัยงเจอยอะไรอาหารหยาบๆไม่ได้และวันเกิดนั้นเป็นวันที่ควรจะอดเหมือนพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พุทธทาสเพื่อ สังเวทชีวิตที่มันได้เกิดมาในโลกกว้างอันนี้แล้วก็ได้มาคิดบัญชีกับตนเองว่าเออเราได้ทำอะไรไว้กับโลกนี้ส่วนที่เป็นบุญส่วนที่เป็นคุณงามความดีมีส่วนช่วยให้โลกนี้สดชื่นยืนนานอยู่บ้างไหมหรือมีแต่ก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนโดยประการต่างๆคิดบัญชีลบล้างสร้างใหม่ในสิ่งที่มันดี ง, งามถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปารกวันเกิดที่ดีที่งาม และควรจะมองไปไกลว่าวันเกิดของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ดังกล่าวแล้วแม่ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์แม่ก็ร้องโอดโอยควรค้างปูดลูกผูดนั่งน่าจะมองไปไกลว่าวันเกิดของลูกก็เปรียบเสมือนวันตายของแม่วันที่พ่อกัดกลุ่มใจวุ่นวายที่สุดกลัวแม่จะไม่ปลอดภยัยกลัวลูกจะตายมาในขณะที่คลอดอะไรต่างๆพ่อก็เป็นทุกข์แม่ทุกข์ยิ่งกว่า น, นั้น แม่บางคนตายไปในขณะคลอดลูกเนี่ยเป็นจํำนวนมากในสมัยโลกยังไม่เจริญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลอดกันไปต้องสมัยโบราณในภาคอีสานนี่ต้องเป็นนอนย่างไฟในเรียก ว, ว่าอยู่กรรมมันเป็นกรรมเป็นเวรของแม่จริงๆที่คลอดออกมาเดือนห้าเมษาร้อนๆต้องมานอนย่างไฟเพราะไม่มียาไม่มีแพทย์ที่จะดีกว่านั้นย่างไฟยังไม่พอกินน้ําร้อน เข้าดำนองได้ว่าท้างปากกินน้ําห่อนข้างก้นจีไฟทุกยากลําบากนี้คือความทุกข์ของแม่ในวันเกิดของลูกได้ยินเสียงลูกร้องจ้าเหมือนหัวใจแม่จะแตกสลายในขณะที่นอนย่างไฟกินน้ําร้อนเดือดห่านนะ่ะแม่บางคนไม่มีโอกาสที่จะได้กินน้ําร้อนนอนไฟตายในขณะที่คลอดลูกเพราะแค่นั้น พระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้ผู้หญิงที่ท้องใหญ่ๆทำบุญรีบด่วนถวายอาเจกจีวอนได้ตัดหน้าใครก็ได้เพราะทหารที่จะไปแนวรบกับผู้หญิงที่มีคันใหญ่ๆนั้นมีโอกาสตายได้ทุกวินาทีเหมือนกันทหารอยู่ในแนวรบจะถูกยิงตายเหยียบกับระเบิดตกลุมขวากเมื่อไหร่ก็ได้ถูกปืนใหญ่ยิงมาจากไหนของข้าศ ต, ตายทันทีก็ได้ ผู้หญิงที่มีท้องใหญ่ๆล้มฟาดลงทีเดียวก็ตายแล้วก็ได้คลอดมาก็ตายในขณะคลอดก็ตายเพราะเหตุนั้นวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่คิดได้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่มาแฮปเดทูยุแล้วก็มาเป่าลงในดับไฟหลังจากนั้นก็กินเหล้ากินยาเต้นลำหลังจากนั้นก็ไปจบกันในคลับในบาร์ ไม่มีสติปัญญาหน้าสมเพศเวทนาที่สดถึงวันเกิดมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็กินบาตกินเมืองให้โลกเสร็จโลกหาบริวารไต่บังคับบัญชาหารีธิ์ห า, หาไทยทางอื่นมาให้ถทยอย่างนี้มันยิ่งเป็นวันเกิดที่เกิดมาเพื่อวินาศนาการยิ่งใหญ่เลยที่เราก็ไม่เอาฉลองอย่างนี้เลยว่าฉลองฉเฉลิมฉลองวันเกิดเฮ้ยต่ออายุ ต่ออายุต่ออย่างไรไปนิ ม, มนพระมาสวัสดมาต่ออายุนั่นก็จะเป็นเรื่องที่บ้องตื่นที่สุดถ้าต่ออายุก็หมายความว่าเอาคุณงามความดีต่อเข้ามาในอายุไม่ใช่ต่ออายุเรียกว่าต่อความดีให้อายุอายุที่น้อยๆนีน่รีบต่อมันเข้าเอาความดีต่อข้าเดี๋ยวมันจะตายไปซะก่อนแล้วมันจะทาความดีไม่เพียงพอ พระผู้ได้เจ้าของเราท่านปารบอย่างนี้สำหรับคนที่ยังไม่ปีกล้าขาแข็งที่จะยอมคลายเยือในลลกออกเสยียทั่นกะว่าอัปมายุมนุษย์สานังหเหรยนังสุโปรดิโซอายุของโหม่มนุษย์นี้น้อยนักผู้ที่ใกล้คุณงามความดีพึ่งดูหมินอายุที่แสนน้อยนิดนี้หมายความว่า ให้เราเนี่ยอย่าได้มัวหลงร่าเริงอยู่ในอายุหลงร่าเริงอยู่ในความหนุ่มความแน่นหลงร่าเริงอยู่กับทรัพย์สินสมบัติเงินทองเพราะอายุนี่น้อยนักน้อ ย, อยท่านเคยเปรียบเล่าให้พิสุทธ์ทั้งหลายฟังว่าอายุของหมอมนุษย์เนี่ยในโลกถ้าเปรียบกับอายุของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดา มันก็ไกลกันขนาดนั้นแหะของเรามันก็น้อยขนาดเนี้ยถ้าจากชั้นดาวดึงมาถึงชั้นยามาโดเซดานิมาก็คูณเข้าไปสองร้อยาา ป, ปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของยามาปร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของโดเซแปดร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของอนิมมาณรติ 1ันหกร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นปรินิมิตะสวัสดิปะพุตตจาาท่านเราอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถ้าถ้าเราเชื่ออย่างนี้หรือไม่เชื่อก็ให้เข้าใจสว่ามันน้อยมันน้อยแหละร้อยปีที่ทำอะไรก็ไม่ทันอายุคนเราทุกวันเฉลีย่ยแล้วมันไม่ถึงร้อยปีแบ่งก็น้นก็นี้บ้างเนี่ยลองเก็บเติท่านจึงกล่าวว่าอายุของเรานี่น้อยนะ ผู้ที่ไฝ่กล้ต่อคนงามความดีพึงดูหมิ่นอายุที่แสนน้อยนิดนี้อย่าได้ภาคภูมิใจมาแฮปปี้เบอร์เดย์กินเหล้ากินยาสนุกสนานอยู่นี่เลยเรากำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความมืดห่วงแห่งความร้อนรอนเผาผ่านของกิเลสตัณหาแสวงห า, งหาทางออกหาแสงสว่างแก่ชีวิตคือสิ้งคือธรรมหาความสงบร่มเย็นคือสิ่งมารมปัญญาขึ้นจางนี้ ท่านจึงบอกว่าอัปมาายุมนุษ์สา น, นังเหรอเยนังสุปโปริโซอายุของโมมนุษย์นี่น้อยนักผู้ที่ใกล้คุณงามความดีพึงดูเหม็นอายุที่น้อยนิดนี้เจริยยาธิตาซีโซวะนัติมัจจุสนาขา้ายาวพึงรีบกระทำตนเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บนหัวบนศีรษะเธอ เพราะความตายจากไม่มาถึงเรานั้นไม่มีความแต่ความเจ็บความตายเหมือนไฟกำลังไหม้ฮือๆ อ, อยู่บนหัวนี่จะมามัวเพลิดเพลินเอาอะไรก่อนเล่าถ้ารู้สึกอย่างนี้ถ้ามันเป็นจริงๆไฟไหม้หัวเราจะไปทําอย่างอื่นได้ไหมถูกเลขซะก่อนจึงจะทําบุญถูกหวยเสียก่อนจึงจะได้มาศึกษาทำมะร่ํำรวยซะก่อนให้คนโน้น ให้ลูกชายแต่งงานตะก่อนให้ลูกสาวแต่งงานตะก่อนจึงจะเข่าวัดเขาวาให้ลูกชายได้ทํางานลูกสาวทางานตะกอนจึงจะศึกษาทํามากอย่างนี้เหรอนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าไฟไหมหัวลูกเต่าล้านเลงจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะฉันต้องรืยิบดับไฟบนหัวฉันตะกอนเพราะความเดือดร้อนมันอยู่ที่หัวของฉันความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้เนี่ท่านจะบอกว่า เจรยญญาทิตสีโสวะนัตถมจุสนาคโยให้กระทำตงเนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนศรีรษะถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้มันเห็นได้รับไฟไหม้หัวมันทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องรีบมอดไฟดับไฟซะก่อนอายุขียติมตจานังกูรทีนังวะุธกันติอายุของสัตว์งหลายย่อมหมดสิ้นไป เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็หมดขึ้นไปแม่น้ำสายน้อยๆพอหมดฝนเดือนสิบเอ็ดสิบฟองฝนสิ้นมันก็มันก็หมดมันก็หมดไหลมันก็หมดมันไม่เหมือนน้ำในแม่น้ำโขงในน้ำในทะเลมันยังยาวนานท่านเปรียบเหมือนน้ำน้อยแม่น้ำสายน้อยเมื่อไหลบ่อยๆหมดฝนแล้วมันก็หมดสิ้นไปณเฮวะติดถังนาทีหนังณสยามหนังณปัตตคุ้ง ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะยืนเดินนั่งนอนโยกก็ตามความตายไม่เคยลืมบุคคลนั้นบุคคลนั้นจะประมาทในขณะยืนขณะเดินขณะนั่งขณะนอนขณะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขณะกินเหล้าเต้นลำความตายก็เจอะคออยู่นี้เนี่ยตามมาอยู่นี่มันไม่ลืมเราวันก่อนไปเทศที่อำเภอพังคน เทพเขานิมยมนไปเทพทำบุญอุทิศให้แกครูตกบันไดตายเดินมาดีๆตกบันไดตายเพราะความตายเดินมาทันในขณะที่กำลังเดินลงบันไดเมาเล่าตกบันไดตายนะฮะมันไม่ไม่ลืมเราพวกเราลืมว่าเราไม่ตายจต่ความตายไม่ลืมเราอ่ะแกจะลืมหรือไม่เหลืมก็าตามนี่จะมามัวเพลิดเพลินกับความเกิดนี้อยู่ใหญ่ล่าพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าโกนุฮา no, โซกิมานันโท นิจังประชริเตสติอันธากาแลนโอนัธาปทีปังนัคเวสัทธาโลกลุกเป็นไฟอยู่อย่างนี้อย่มามาวมราดเริง อ, อะไรกันเล่าตนเองตกกันในความมืดยังไม่รู้จักแสวงหาแสงสว่างเอกหรือเมนจบว่าแหนหาวสดสืนแนวในดีเด่นออลละซ่อนซ อ, นซอนดใดๆจังใดเฮโห้หอะนิจังประชลิเตสติโตของเจ้าไฟหักล้นล่มใหม่เผาล้อนอยู่ทุกเมือ อันตกาเลนะโอนัธาปฏทีปังนัคเวสถาคผ่้เมิดมากห่อหุบแต่เกียงเจาะสั่งเบาหาแทนอเมืดเพราะตามเมืดเพราะรักเมืดเพราะชังร้อนรุ่มอยู่เด็กกิเลสโลภะโทสะโมหะแสวงหาความสว่างแห่งสติปัญญาสแสวงหาความสงบเยือกเย็นแห่งสิ้นแห่งธรรมมาลูปไล้ใส่เข้าไปในชีวิตอย่างนิริวต่ออายุ ต่ออายุอย่างที่ทานจะภาพทำในวันนี้ไม่มีการขาสัตตชีวิตอาหารมังสวิรัตเลี้ยงพี่น้องเป็นร้อยล้อยหลายร้อ ย, ลอยแล้วก่อนในมลพระมาฉันเทศให้ฟังอย่างนี้เรียกว่าปารกวันเกิดที่เลวต่อคุณงามความดีใส่เข้าไปในอายุที่มันมีเหลืออยู่ตัดสมาอิทะชีวิตะเซส ข้อเหตุ น, นั้นชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้กิตติกโรสิยานะโรนะจมัชเชติจงรีบกระทาคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าต่ออายุไม่ใช่ต่ออายุนิมนต์พระมาสวดมาทําพิธีทําลาบาสีต่ออายุหนังสมาธิหลับตาพิมพ์ไปขอต่อท่านท้ามหาพรหมมาป่าให้เกินไป ถ้าพุทธเจ้าก็แปดสิบปีหนึ่งเราจะไปต่อมาจากไหนมีอะไรที่จะไปต่อเอาอายุได้นอกจากเอาคุณงามความดีต่อเติมเข้ามาในอายุในชีวิตที่มีอยู่อย่างนี้่เป็นว่าทำบุญวิธีแรกในวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์จะเริ่มจะลองอายุนั้นเป็นของปุถุชนคนนานด้วยกิเลสคนที่ไม่รู้จักคนที่มืดอยู่ในโลกทั้งทั้ ง, ท, งที่ตาสวา่าง ต่อมาก็ต่ออายุถ้าต่อด้วยคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่าต่อแบบอารยะชนต่อแบบผู้ที่เจริญแล้วแบบผูกไม่ประมาทถ้าต่อแบบเอาเพื่อนเอาฟุ้งมานิมนต์ผ้ามาเยอะๆมากินด้วยกันแล้วกลมาต่ออายุด้วยพิธีกรรมขอจากเท้ามหาพรหมจากนูน่นจากนี้อันนั้นก็งมใา้เหมือนเด็กเล่นหลอกลวงกันเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้อิมโปรสบน ต่อมาที่นี่เรามาทำเองกันก็คือสังเวทอายุสังเวทอายุสังเวทอย่างไรอาที่มันเกิดมาเนี่ย ม, มันมันมีแต่ความทุกข์ดังกล่าวแล้วสังเวทอายุก็มานั่งทบทวนถึงอ า, อายุในวันเกิดเช่นนี้ควรจะไปหาที่อยู่เงียบๆถ้าจะไปทําบุญทําทานก็ไปเสียทำไมอย่างให้คนอื่นมาเดือดร้อนลาบากลังไล่มาแม่ เป็นคูบาอาจารย์ใหญ่ใญ่ไปเกณฑ์คนมาในวันเกิดของตนเองเสร็จแล้วเกิดอุบททัติเหตุเพลเพล่มล้มตายกันในขณะดเดินทางมาไกลๆอย่างนี้มาถึงก็มากินมาโยมาตออายุกันอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่มีประโยชน์ทําลายเพลผานยังงมงายอีกจุ้ด้วยแต่ถ้ามาสังเวยอายุก็อย่างที่ท่านประเดชพระคนท่านหลวงปูพุทธธาทีาท่อําเภอไช ย, ยาสวนหมกอัปรามจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั่นหลวงปู่เท่าท่านทำของท่านมาตลอดในวันเกิดท่านก็ไม่ได้บอกอะไรท่านบอกว่าใครจะมาให้ของขวัญวันเกิดของท่านก็มามาฟังเทศท่านตลอดยี่สิบสี่ชั่วโม ง, งเลยไม่ให้กินข้าวกินน้นําทันดีมากันเยอะๆเสียงครกกับปากสากระเบืออะไรห้องน้ําก็ไม่เปื้องเอาปอาหารก็ไม่เปื้องยี่สี่ชั่วโมงทุกคนเอากดเอามุ้งมา การนอนมาฟังท่านเทศท่านบรรยายตั้งแต่ระดับศิลละธรรมความสงบรล่มเย็นของสังคมเมื่อมีศิลธรรมความร้อร้อนของสังคมเมื่อขาดศิลธรรมมองปัญหาของโลกของธรรมชาติปัญหาของสังคมปัญหาของครอบครัวปัญหาของชีวิตพอขาดศิลธรรมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านมีศิลธรรมชีวิตเป็นอย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างนี้ สังคมเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นทั้งกาะใกล้เขามามาดูทั้งโลกุตตรธรรมปฏิบัติตอ่อชีวิตนี้อย่างไรมีสติตอ่อผัสสะสัพผั ต, ตาหูจมูกลิ้นอย่างไรควบคุมอาญตนะควบคุมตัณหาอุปาทานไว้อย่างไรศึกษาขันหะให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างไรปล่อยวางอย่างไรไปจนถึงจิตว่างอย่างไรที่ท่านสอนอย่างนี้จนไป ลำดับลำดาดงดดน้ำในเบื้องต้นทำกลางที่สุดพวกเราคนทั้งหลายที่พากันไปก็อิ่มเ อ, อิบใ จ, จเจริญด้วยศิลด้วยธรรมไม่เปลืองไม่ทําลายเศรษฐกิจคนไปตั้งสองหมื่นคนไม่ต้องไปกินข้าวกันเลยยี่บสี่ชั่วโมงนี่มันดีอย่างเนี่ย ม, มองในแง่มุมทางเศรษฐกิจวันหนึ่งกินข้าวตั้งสามเวลาถทาเวลาและยี่สิบเวลาและสิบาทจะไม่พอทีเดียวยี่สิบาทไม่รจะอิ่มหรือไม่ถ้าสามเวลาวันหนึ่งก็หกสิบบาทประหยัดลอง สิคนหกร้อยร้อยคนหกพันพันคนหกหมื่นหมื่นคนหกแส น, 60, 000, น 60, โอ้วันหนึ่งถ้าไปตั้งสองหมืนกว่าคนในงานมันเกิดของทันคนไปเมื่อตากไปเป็นล้านประหยัดไปเป็นล้านล้านเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยทีนี้ถ้าคนทั้งประเทศไทยลองอดไม่กินข้าวยี่สี่ชั่วโมงเพียงในวันเดียวคนห้าสิบกว่าล้านคนจะประหยัดเศรษฐกิจให้แก่ชาติ โอ้ยได้เป็นลูกกี่ร้อยกี่พันล้านนี่ลองคิดดูนี่การทําอย่างนี้ต้องมองทั้งโทดมองทั้งคุณมีประโยชน์ทั้งประเทศของท่านทาให้เรามีกําลังใจอาจจะมาที่พูดก็ไม่เคยไปสักทีเคยอ่านในข่าวสรารต่างๆเรายัางมีบุญน้อยยังไม่มีโอกาสไอย่างนี้เรียอว่าสังเวชอายุถ้าเป็นเราไม่ไม่มีบุญวัดฟนนาใหญ่โตแบบนั้นเราก็วันนี้วันเกิดของเราโวย เข้าวันเลยไปทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาหลังจา่นั้นสมาทานสิงแปดมาจําสิงอยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่วัดก็ได้อย่เงียบอยู่ในสวนอยู่ในความเงียบนั่งพิจารณากำหนดกรรมฐ า, านอันใดอันหนึ่งให้จิตใจสงบลำงับเมื่อจิตใจสงบลำงับดีแล้วมันก็เหมือนน้ำที่มันขุ่นขุมันใส สมาธิเปรียบเหมือนสารส้มอารมณ์ไปกวนเมื่อมันใส่กมองเห็นสิ่งที่มีนน อ, อยู่ในน้ำเต่ากุ้งหอยปูปลาอะไรชีวิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อชีวิตสงบจิตใจสงบแล้วก็ส่องดูชีวิตก็จะเห็นว่าอะไรมีอยู่ชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแตนี้ไปจนถึงในน้อยเราทําอะไรกับพ่อกับแม่ให้เป็นทุกข์เป็นยากลําบากลําบนอะไรเป็นคุณงามความดีกว่าประมวลมาให้เืิดกาลังจิตกําลังใจว่าเราเกิดมาโอ้ใครบดเอขี่ไล่ถ่ายเปรตปันไดได้สร้างคุณงามความดีมาตลอดเป็นกําลังใจผลักดันให้ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสร้างคุณงามความดีแต่เป็นความชัวว่วก็สังเวช สมเพทเวทนาความลุ่มหลงของเราให้อภัยตนเองไม่ได้เกิดมาเป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่ในท้องดอกบัวเกิดในตมโคนมันยังบริสุทธิ์ผุดผ่ดองได้เมื่อมันพ้นจากน้ํำเราก็พัฒนาตนเองให้พ้นจากความชั่วปล่อยวางให้อภัยตนเองจากนี้ไปจะสร้างขนงามความดีให้เป็นประโยชน์แกต่ตนเองแก่โลกประเทศชาติบ้านเมืองท่าอย่างนี้เรียกว่าสังเวชอาชุนที่นี้ก็มาอีกอันสุดท้ายมันฉเฉลิมฉลองก่อไม่ฉเฉลิมฉลองล่ะ เครดิต่ออายุก็ต่อมามากแล้วเอาคุณงามความดีใส่มากแล้วสังเวชอายุก็สังเวช ท, ทีนี้มาถึงสุดท้ายปล่อยวางอายุเลิกล้างอายุเลยทํำยังไงพวกนี้ไม่ต้องเสียเงนินเด็ดทองเลิกล้างอายุสังเวชอายุก็ดังการแล้วทีนี้เรามาดูเลิกอายุเลิกยังไง พวกเทวดาเมื่อรู้ตนเองว่าจะตายเขาก็จะรีบทำบุญสร้างคุณงามความดีต่อความดีเข้ากับอายุตอนเดึกๆวันหนึ่งที่เชศตะวันมหาเวหารใกล้จะสว่างพวกเทวดาเขาขับเพลงเขาร้องเพลงมาเขาบอกว่าวันใหม่จะมาถึงแล้วการเวลาล่วงเลยไปหนาชั้นแห่งวัยของเราก็ล่วงไปโดยลำดับ เมื่อภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้าที่เราเห็นอยู่นี้เราควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญเพื่อเป็นทางนํามาซึ่งความสุขเขวะอย่างนี้ผู้เป็นภาษาบาลีนะครับอกว่าอาเจนติการาตรยันติรัติโยวโยคุณาอนุปพังชาหันติอีทั้งทยังมลเนเปตมาโนปุญญานิกายลาทะสุขาวะหานิวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งไว้ก็หลับไปเดินลําดับ เมื่อภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้าเห็นอยู่อย่างนี้เราควรรีบทําบุญอันเป็นทางนํามาซึ่งความสุขเธอเทวราห์เขาก็ร้องเพลงอย่างนี้เราต้องการความสุขรีบทําบุญนะเรามันจะตายนี่เรียกว่าสังเวชอายุอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ยิทงท่านกะท่านก็เลยร้องเพลงขับส่วนออกไปเนี่ยแค่ว่าอจะมากล่ว า, กาวชวกจับว่าพุทธเจ้าร้องเพลงนะเพราะคําที่ท่านพูดนั้นมันเป็นเพลงมันเป็นกอน เก่าๆออกมาท่านก็ขึ้นต้นเหมือนกันว่าอัเจติการาตรยันติรติโยวโยคุณาอนุปพังชะฮันติอีทางพยังมรณีเปฆมาโนโลกามิสั่งปชะเฮสั่นเตเปโค ข, ขึ้นต้นเหมือนกันว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแหงไว้ก็ละไปโดยลำดัดเมื่อภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้ว นี่ก็ขึ้นต้นเหมือนกันตอนท่อนกลางๆก็เหมือนกันแต่ท่อนสุดท้ายไม่เหมือนกันเทวดาบอกว่าปุญญานิกยิลาทะโศขาวหานิเรามารีบสั่งสมบุญอันจะนำุกมาให้เธอพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าโลกามิสั้งประชะเหสันติเปกข้อคายเยื่อนในโลกสีมุสุสันติอันนี้สูงมากสูงเลยหมายความว่าจะเลิกแ ม, ม้กระทั่งอายุละ ไม่ต้องเอาทั้งบุญทั้งบาปอะไรเลยตดีวนี้ท่านทั้งหลายต้องให้ความยุติธรรมฟังด้วยใจเป็นธรรมอย่าพึ่งโกรธอาตมาว่ามาชวนทิ้งบุญทิ้งบาปมาชวนให้ไม่ให้เกิด <c oughs> ฟังให้ดีก่อนเพราะว่าการเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปถ้าไม่ได้เกิดมาแล้วมันจะดีที่สุดมันเกิดมาแต่ทะะครั้งมันก็เกิดมาเพราะเหยื่อคือบาปคือบุญนีญญ่เป็นเหยื่อเป็นยามเหนียวในจิตใ น, ในใจทุกโภบุญันจะปา่าปัญจะอย่างมัโจโจกุลเตออิทะ ถ้าผู้ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันจะสัตันหิตัสสักังโห้ติดตันจะอาทายะขัดชติบุญและบาปนั้นแหลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจะตะอนุคังโห้ติชายาว่อนุปายิะมีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นตายไปแล้วบุญบาปหักไป ส่งไปให้เกิดดีให้เกิดชั่ววนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ที่ที่ถ้าเราอยากจหลุดจากวัฏฏะสงสารต้องขายเยื่อเยือนี่บุญก็เป็นเจือบาปก็เป็นเยือบาปบาปก็เป็นเจือเบ็ดให้เราตกในะโลกบุญก็เป็นเจือเบ็ดให้เราขึ้นสวรรค์สวรสวรค์ยังไปว่าเบ็ดไปว่าเกาะเกี่ยวก็ได้เพราะฉนั้นคําว่าขายเยื่อในโลกโลกามิตก็คืออามิ t h ในโลกก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัส อันนงดงามในสวรรค์น่ะสมบูรณ์โดยรูปทิพย์กิ่นทิพย์เสียงทิพย์มันก็เป็นเหยื่อที่ติดที่สุดส่วนนารกมันก็เป็นเหยื่ออีกรูบที่เป็นทุกข์เสียงเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์เพราะเห็นนั้นท่านจึงกล่าวว่าปาป่ปุญยัตส์ป่าี่นัตสันิชาตโตเปรินิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียดายจากปรินิพานโลกามิสังปชะเหสันติเปโคละเสียขายเสียเหยื่อในโลกมุ่งต่อสันติ มุ่งต่อความสงบลำงับาการถึงวันเกิดก็มาพิจารณาขายเหยื่อตอนเองสร้างคุณงามความดีเพื่อจะคขายเหยื่อไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเพิ่มโคนเหยื่อการทําอย่างเดียวกันแต่มีเจตนาไม่เหมือนกันก็มีนะคนนึงทําบุญบาทหนึ่งป่าธนาจะได้วิมาณสิบชั้นถูกรัตตลีล่รางวันที่หนึ่งนี่มันเพิ่มเหยื่อคนหนึ่งทําบุญแสนหนึ่งเฉยเลยสบายใจบอกว่าฉันได้เสียสลับ สิ่งที่ฉันมีเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมสบายใจสบายใจโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดนังนั่งเข้ากายเป็นความเพลิดเินเงินแสนเงินล้านมีกอสละได้ภาษาอะไรแค่นิดเดียหน่อยต่อมามันกอดสละได้แม้แต่ตัวเราของเรานี้มันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นมันเป็นเพียงสภาวะธรรมธรรมชาติการปล่อยวางแต่ละอันทำบุญเหมือนกันแต่คนหนึ่งทำเพื่อพ่อพูนความปล่อยวางอีกคนหนึ่งทำเพื่อพ่อพูนความ อยากได้มากๆเลนมันก็เพิ่มเดือเติมเดืออีกคนหนึ่งทาเพื่อขายอย่าเหมือนกันนะเหมือนกับพระสององค์เจ้าในวัดเนี่ยอัน ท, ทั้งหลายโดทำงานกินข้าววันละครั้งเดียวทางานได้ทั้งวันจนค่าเพื่อประโยชน์แก่สังคมไม่ได้ค่าจ้างสกักบาทเดียวแต่ชาวบ้านกินข้าววันละสามเวลาทำงานไม่ได้มากแค่นี้เพราะมันทำเอาเยือทําเอา่าจ้าง อาทรงองค์เจ้าท่านทําขายเจยอดูวัดว่าอารามที่พัฒนาต้นไม้ต้อนอะไรเลยไม่เคยใช้แรงงานชาวบ้านมีแต่แรงงานพระเน้นตัวนี้น้อยๆ ก, ก็กินข้าววันละครั้งเดียวในบาทอันเดียวเนี่จะทํางานได้ทั้งวันว่าบางทีจนค่ําจนเมืดมันยังไม่เสร็จจะทําให้มันเสร็จไม่ได้มีค่าจ้างไม่แต่สะตางค์แบ่งเดียวเพราะท่านทําเพื่อขายเหยอะไม่ได้ทําเพื่อเอาเยอะที่ดีเรามาดูพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจัดการกับอายุของท่านอย่างไร พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านไม่อยากตายท่านไม่อยากอยู่ท่านหมดความเป็นเจ้าของอายุนาพินันธามิมรนังนาพินันธามิชีวิตังเราไม่ชื่นชมกับความเป็นอยู่เราไม่ยินดีต่อความตายกาลันจะปฏิกังเทวะนิพพิสั่งบัตโผยะถ า, าเรารอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้าง รอคอยเวลาสิ้นไปแห่งการจ้างรอคอยความสิ้นไปของเวลาที่จังหมดเวลาแล้วก็เลิกเสร็จเรือเรร่องเลยเสร็จไม่โลก อ, อย่างนี้อ่าสัมปชาโนโนปฏิสตโตเรามีสติมีสัมปชัญญะรอดูจบตรงนี้ลึกหน่อยหมายก็ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่อยากตายและก็ไม่อยากอยู่ ท่านอยู่เนื้ออยู่อยู่เนื้อตายไม่เป็นเจ้าของของความตายไม่เป็นเจ้าของของความมีอยู่เป็นอยู่ท่านขายเหยื่อเหล่านี้ออกหมดเสียแล้วท่านก่อนรอคอยเวลานั้นเอาข่าวเอาปากกินเลี้ยงมันไปมาหาปูตโลกบำบัดมันไปแต่เวลามันตายท่านไม่ได้กังวนกังวายท่านไปห้าหมอถ้าหากพอจะเยียวยาได้เพื่อจะช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้าหากเยียวยาไม่ได้ท่านก็ไม่ s o รี่อะไรและไม่ได้เสียใจอะไร ถึงเวลามันจะตายท่านก็จะนั่งดูมันตายเหมือ น, นดูคนอื่นตายจิตที่ฝึกมาดีแล้วจิตที่ปล่อยวางหมดก็แล้วแม้แต่ความเป็นเจ้าของของชีวิตมันหลุดพ้นออกไปแล้วมันก็ดูตนเองตายเนี่ยเหมือนเหมือนเราไปไปเฝ้าไข้พี่น้องกำลังตายปังงาปังงาอยู่ในโรงพยาบาลโอ้กำลังจะสิ้นใจแล้วหายใจละรัวละรัวละรั ว, รวสุดท้ายก็หมดไป เหมือนไปนั่งเฝ้ามองดูตะเกียงที่มันกําลังจะมอดมันหมดไปอย่างไรมอดไปแล้วก็ไม่กลับใหม่หมายความว่าท่านชีวิตท่านไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดมามเหมือนตะเกียงหมดใสเป็นอย่างนี้ชีวิตที่หมดเชือ้อตะเกียงที่หมดใสก็ย่อมไม่เกิดขึ้นมาอีกเหมือนกับตะเกียงที่จุดไม่ติดอีกดูก่อนพิสูจน์าลายเปรี่ยบเสมือนเปิดทิ่มน้ํามัน อาศัยน้ำมันและไสจึงพองดูได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและใส่ไส้อื่นข้าวยอมเป็นประทีปที่หมดเชื้อดับไปชันใดพิสุก็เหมือนกันฉันนั้นแหละปล่อยวางเวทนาทั้งหมดไม่หยิบช่วยอะไรขึ้นมาเองมันก็หมดเท่านั้นอันนี้ละเอียดหน่อยแต่มีสติสัมปชัญญะดูตนเองตายตัวสติรู้ว่ามันกําลังจะตายสั่งคนอื่นสอนคนอื่นได้ว่าฉันจะจากไปแล้วนะเพราะเหตุนั้น พระอริยเจ้าท่านจึงไม่หลงทำกาละไหลาตายท่านมีสติจนรู้ว่าเวลาจะสิ้นใจตายยางสอนคนอื่นให้เข้าใจไว้ก่อนก็ได้บอกให้ชัดเจนว่าฉันจะไปแล้วโบกมือลากันได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเลิกอายุไม่เป็นเจ้าของความตายไม่เป็นเจ้าของอายุ ท่านทั้งหลายก็ลองทบทวนดูว่าเราจ ะ, ฉะเฉลิมฉลองอายุหรือว่าจะต่ออายุด้วยคุณงามความดีหรือว่าจะสังเวชอายุเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีเพื่อจะปล่อยปะละวางคายเหยื่อเสีย้ยหรือว่าเราจะเลิกความเป็นเจ้าของอายุเสียก็ย่อมเป็นได้ในจิตใจดวงเดียวเพราะเหตุนั้นขอชัญชวนท่านทั้งหลายจงพยายามเติมคุณงามความดีใส่อายุ เลิกฉเฉลิมฉลองอายุแบบโง่ๆได้แล้วและก็พยายามแหวกไหวคล้ายเหยื่อโล ก, กามิสังประชาเฮสันติเปโโคคลายเหยื่อในโลกเสียและก็มุ่งตรงต่อความสงบแห่งชีวิตโจนหมดเยหดเยื่อหมดเชื้ออนุปาหาราอนาหโารไม่เติมเชื้อใหม่ไม่เติมอาหารใหม่ มันก็หมดไปหมดไปกิเลสก็หมดปัญหาน้ามันหมดในตะเกียงไส้ก็หมดตะเกียงก็มอดก็ต่อกันไม่ติดอีกเมื่อหมดกิเลสหมดปัญหาหมดเชื้อที่จะให้เกิดอีกมันก็ไม่เกิดโดยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อให้มันเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหมดว่างว่างว่างไม่มีอัตราตัวตนท่าย่างนี้ ก็สมที่ได้เกิดมาอายุ น, น้อยๆไม่ถึงร้อยปีก็สามารถคายเยอะในโลกปรงปล่อยวางชีวิตวางอายุเลิกอายุเสียได้ก็จบกันเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่านี้ในทางพุทธศาสนาอัตมาก่าลทำนิขธรรมมาสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมจงบางเกิดมีแก่ท่านทางหลาย โดยทุกการทุกท่านทุกคนเธอ